บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแรก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนาปานสติในจตุกะที่สองจึงนแสดงไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันนั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติที่ผ่านมาถึงขั้นนั้นนั้น ได้ตั้งสติระลึกและใช้ปัญญาสำเนีกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วปฏิบัติให้เหมาะคกวนแก่อารมณ์เหล่านั้นข้อแรกทรงสอนให้สำเนีกรูปีติคือความเอิบอิ่มใจที่บังเกิดขึ้นลักษณะของปีติเป็นอาการความเอิบอิ่มที่ปรากฏขึ้น ทั้งแก่กายและแก่จิตของบุคคลผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานอาการอาการของปิติเทียบกับพฤติกรรมในชีวิตของคนแล้วก็คือคล้ายๆกับอาการดีใจแต่ว่าดีใจนั้นปรารบสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องให้เกิดความดีใจส่วนปีติปรารบนามธรรม เป็นเหตุให้เกิดปีติลักษณะของปีติที่ปรากฏขึ้นนั้นมีหลายประการด้วยกันเช่นบางครั้งบางคราวรู้สึกมีความเยือกเย็นในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบางครั้งบางคราวก็รู้สึกว่าความเยืกเย็นเหล่านั้นแผ่ซ่านทั่วไปบางคราวอาจจะรู้สึกว่า ตัวรอลอยไปหรือตัวโตวขึ้นหรือตัวหายไปบางคราวอาจจะรู้สึกว่าตัวนั้นได้เลื่อนลอยไปในที่ต่างๆคือไม่ได้นั่งอยู่ที่พื้นบางคราวก็อาจเอิบอิ่มจนสุดที่จะพัฒ น, น, นาได้และทำให้มีน้ำตาไหลเป็นตุนซึ่งลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่า บางส่วนก็ใกล้ๆกับความดีใจดังกล่าวแล้วเพียงแต่ความดีใจนั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการได้วัตถุธรรมแต่นี้เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมเมื่อบังเกิดปีติขึ้นในลักษณะนี้ก็ทรงสำเนียงทรงสอนให้สำเนียกว่าขณะนี้ปีติบังเกิดขึ้นแก่เราก็รู้ว่าปีตินั้นบังเกิดขึ้น แต่ปีตินั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติเป็นแต่เพียงทางผ่านเท่านั้นเองหมายความว่าขั้นตอนแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะพบปีติกันอยู่เรื่อยไปไม่ว่าในชั้นของการให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมเป็นต้นปีติในลักษณะต่างๆก็ เ, เกิดขึ้น แม้เจริญวิปัสนาขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็มีปีติขึ้นแต่ปีติในชั้นนี้ถือว่าเป็นปีติทางขานทั้งหมดขอให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคคลผู้ปฏิบัติว่าได้เดินทางมาถูกต้องแล้วประการหนึง่งอีกประการหนึ่งก็กาหนดดูปีติเหล่านั้นสนีแกรู้ปีติเหล่านั้นโดยไม่ ให้จิตเกิดความยินดีในปีติมากเกินไปเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติทุกคราวพอเริ่มถึงปีติก็จะจุด<ๆ>เนื่องจากมัวเพลิดเพลิอนอยู่กับปีติที่บางเกิดขึ้นแต่เมื่อกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวหรือํำเนียกไว้เพียงอย่างเดียวอย่างที่ทรงสอนไว้ถ้าหากว่าบางขณะบางโอกาส ความเปลี่ยนแปลงของปีติมีลักษณะซับซ้อนคือเปลี่ยนไปอย่างโน้นทีอย่างนีท้ทีและจิตของผู้ปฏิบัติเองก็น้อมไปในทางที่จะพิจารณามากกว่าท่านก็สอนให้พิจารณาตามหลักของวิปัสสนาได้ข้อนี้ผู้ปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจะสังเกตว่าบางครั้งบางคราวถึงแม้เราจะเริ่มที่สมถกรรมฐาน คือมุ่งจะให้ใจสงบกระตามแต่ปัญญาหรือสัมปชัญญะแก่เกิดมีกำลังขึ้นมาต้องการจะพิจารณาอย่างเดียวเมื่อมีกำลังสูงขึ้นมาในลักษณะนี้ก็พิจารณาไปเสเลยเพราะล้วนแล้วแต่เป็นกุศลธรรมด้วยการทั้งนั้นและภาวนาทั้งสองนี้ก็เป็นมัก ค, คือทางดำเนินที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัต ให้เข้าถึงความสงบความสว่างแห่งจิตใจของตนในชั้นต่อไปทรงสอนให้สาเนียกดูสุขซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ความสุขบังเกิดขึ้นก็ให้สาเนียกดูที่ความสุขเหล่านั้นลักษณะของความสุขเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันกับปติ ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกโปร่งเบาในส่วนกายและในส่วนจิตที่เราเรียกว่ากายยิ ก, กสุกคือสุขทางกายเจตสิกกระสุขคือสุขทางใจร่างกายในขณะนั้นถึงแม้จะใช้ความเพียรพยายามในการปฏิบัติอยู่แต่ก่อนนั้นอาจจะเคยปวดเคยเมื่อยเคยไม่สบายในส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าถึงชั้นของความสุขที่บังเกิดขึ้นอาการเหล่านั้นก็จะหายไปเป็นความสบายกายเป็นความสุขกายที่ยากแก่การสัมผัสในขณะอื่นนอกจากขณะการปฏิบัติทำใจให้สงบตามหลักของสมถกรรมฐานในด้านจิตใจเล่าลก็ก่อนนั้นอาจจะเกิด อาจจะเคยมีความขุนมัวเศร้าหมองวิตกกงังวลเราร้อนไปสายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ในขณะนั้นเวลานั้นใจจะมีความสุขเนื่องจากโปรงเบาสบายไม่มีอะไรยึดเกาะเอาไว้ไม่มีอะไรทําให้เกิดความวิตกกงังวลเป็นความสุขที่ยากแก่การสัมผัสในขณะอื่นเช่นเดียวกัน เมื่อความสุขบังเกิดขึ้นก็ทรงสอนให้รู้ว่าเวลานี้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่สอนเพียงแต่สำเน็กรู้เท่านั้นเองเพราะในชั้นของความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกับปีติเป็นเพียงทางผ่านเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเราเดินมาถูกทางเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติไม่ควรไปเพลิดเพลิเพนเริงลง หรือติดอยู่ในความสุขโดดนั้นทานองเดียวกับบุคคลผู้เดินทางไกลต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อลามาในขนทางพบต้นไม้มีสระน้ำมีลมพัด ช, ชวยมาก็แวะเข้าไปอาบน้ำล้างหน้าที่สระน้ำแล้วก็มานั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้รับลมโชยเย็นๆ ซึ่งว่าที่จริงมันก็สุขสบายดีแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการฉันก็สอนให้ละทิ้งความสุขที่ได้ในขณะนั้นนั่นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้แต่ถ้าหากว่าปัญญาเกิดประจักษช์ชัดมองเห็นความสุขจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่และปัญญามีกำลังแรงกล้าพอ ก็พิจารณาเป็นวิปัสนาเสียเลยก็ได้เช่นเดียวกับการพิจารณาปีติช่วงที่สามนั้นทรงสอนให้สำเนีกรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนีกรู้จิตตสังขารหายใจออกคำว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิต แต่ว่าในที่นี้เป็นตัวปรุงแต่งจิตซึ่งท่านจำแนกออกเป็นสองประการได้แก่สัญญาคือความจำได้หมายรู้ได้แก่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนอ่อนแข็งและจาอารมณ์ต่างๆกับเวทนาคือความสวยอารมณ์อาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตาม สัญญากับเวทนานี้เป็นตัวปรนปลือให้จิตดำรงจัซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตซึ่งทำหน้าที่คิดนั้นถ้าเราจะลองตรวจสอบดูว่าจิตคิดอะไรจิตจะคิดสัญญาในอดีตคิดเวทนาในอดีตคื็เรื่องที่ผ่านมาแล้วบ้างเรื่องที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันบ้าง เรื่องที่จะไขว่คว้าแสวงหาต้องการในอนาคตบ้างแต่ฐานที่ให้เกิดความคิดนั้นก็คือสัญญาความจำได้หมายรูปและเวทนาคือความเสวยอารมณ์รือถ้าหากว่าสัญญามีมากเวทนามากจิตก็คิดมากก็นี้พึงสังเกตดูว่าในวันใดก็ตามที่มีเรื่องว้าวุ่นสับสน เกิดขึ้นในชีวิตมากถ้าไม่สามารถสลัดอารมณ์เหล่านั้นออกได้ในขณะที่จะหลับอารมณ์ในกลางวันก็จะกลับมาอยู่ภายในจิตทําให้จิตคิดจนบางครั้งบางคราวนอนไม่หลับไปตัวสัญญากะเวทนาซึ่งเป็นจิตสังขารคือตัวปรนปรือตัวปรุงแต่งจิตตลอดต้องทําหน้าที่สืบต่อการเกิด ตับของจิตจุดนั้นก็ให้กำหนดรู้ไว้ในขณะที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเมื่อกำหนดดูไปเห็นประจักษ์ชัดในส่วนของเวทนาและในส่วนของสัญญาได้ด้วยใจแล้วช่วงต่อไปถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ทรงสอนให้สำเนียกรู้ ความสงบระงับของสัญญาและของเวทนาหรือของจิตสังขารหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเรื่องสัญญากับเวทนานั้นเป็นเจตสิกธรรมที่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระัยรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติเอ้ผ่านขั้นตอนความสงบมาโดยลำดับ ซึ่งถ้าหากว่าเรียงจากจุดจากยตุกะที่หนึ่งมาก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นคือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็กําหนดรู้อย่างนั้นกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าออกกําหนดรู้ ความสงบระงับแผงกายสังขารคือลมหายใจเข้าขออกจนมาถึงชุดที่สองก็กำหนดสัมเนียตรู้ปีติสัมเนียตรู้สุขสัมเนียตรู้จิตสังขารคือสัญญาและเวทนามาจนถึงชั้นที่8คือจิตสังขารได้แก่สัญญาและเวทนามีความสงบลง ซึ่งหมายความว่าความสงบได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติสัญญาก็ดีเวทนาก็ดีจะมีลักษณะสงบลงโดยลำดับคือเวทนาก็ไม่ไปเสวยอารมณ์หรือดึงอารมณ์มาสวยมากเกินไปสัญญาก็จะไม่ไปดึงเรื่องราวต่างๆที่จำเอาไว้มามากเกินไป จิตใจของผู้ปฏิบัติเองก็จะสงบซึ่งในลักษณะนี้จะสังเกตได้ว่าแม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลเราถ้าหากว่าใครไม่เก็บอารมณ์สะสมอารมณ์ไว้จนหมักหมมมากเกินไปเรื่องอะไรควรสลัดทิ้งก็สลัดทิ้งไปได้ไม่มานำมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงไปเสียทุกกรณี เวทนาในรูปแบบต่างๆก็จะสงบตัวจิตเองซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยเวทนาการสัญญาก็จะสงบลงบุคคลจะมีรู้มีความรู้สึกประวันเวลาที่ผ่านไปมีความเยือกเย็นมีความสบายกว่าปกติสูงขึ้นแต่ถ้าสามารถสามารถตัดอารมณ์ในอดีตบางอย่างลงไปได้คือตัดได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการดี หรือไม่ไขว่คว้าอนาคตจนเกินไปกาหนดใจระลึกอยู่เฉพาะในส่วนปัจจุบันสัญญากะเวทนาก็จะส ง, งบลงกว่านั้นไปอีกแต่ถ้ามาถึงชั้นของการปฏิบัติดังกล่าวแล้วสัญญาความจำเวทนาคือความสวยอารมณ์ก็จะส ง, งบแต่ลักษณะส ง, งบเหล่านี้จะส ง, งบจนบางครั้งก็เป็นความระ ง, งับไปได้ หมายความว่าสัญญากระเบทนานั้นยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมต่อจิตในลักษณะที่รุนแรงอะไรแต่ในชั้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นชั้นของสมาบัติท่านสงบระ ง, งับจริงๆไปได้ที่ท่านเรียกว่าข้าวนิโรธสมาบัติที่เรียกเต็มๆว่าสัญญาเวดยิตะนิโรธ คือดับทั้งสัญญาดับทั้งเวทนาในขนานั้นท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติจะมีลักษณะนั่งนิ่งไหวติ่งไม่ไหวติ่งแต่ประการใดแม้จะมีเสียงฟ้าร้องคว้าผ่าลงมาก็ไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องเหล่านั้นก้อนี้ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจากเมืองปาวาเพื่อไปเมืองกุสินาราก่อนจะไปนิพพาน ได้ไปพบกับนักเรียนสำนักเดียวกันคือลูกศิษย์ของท่านอาราระดาบทกะลาโมโคธที่พระพุทธเจ้าเคยศึกษาอยู่ในสำนักของท่านลูกศิษย์ของอาลาระดาบทก็มาเข้าเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าแลวเล่าถึงความมหาศจรทางจิตของท่านอาลาระดาบทว่าเวลาท่านเข้าสมาธิขนาดว่า กองเกวียนผ่านไปตั้งห้าร้อยเล่มเกวียนใกล้ๆทางที่ท่านผ่านท่านนั่งอยู่แต่ท่านอาราดาบทก็ไม่รู้สึกว่ามีกองเกวียนผ่านไปนี่แสดงเห็นถึงความสงบแห่งสัญญากับเวทนาแต่ถ้ามองดูแล้วก็ไม่ใช่ความสงบในชั้นของสัญญาเวทญาิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติ พระท่านอาราดาบทนั้นสมเร็จเพียงสมาบัติเจ็ดเท่านั้นเองแต่สามารถที่จะดับได้ทั้งสัญญากับเวทนาแม้กองเกวียนผ่านไ ป, ไปเป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองว่าเป็นได้แล้วก็เป็นเช่นนั้นและพระองค์ก็รับสั่งเล่าถึงคราวหนึ่งพระองค์นั่งเข้าสมาบัติจ พอดีเกิดฝนตกฟ้าผ่าต้นไม้หักโค้นลงมาแล้วก็ถูกโคลใกล้ๆนั้นตายไปทั้งสองตัวมีลมกระโชกรุนแรงมากแต่พระองค์ก็ยังประทับเฉยอยู่เวลาลุกขึ้นมาคนชาวบ้านมาถามพระองค์ว่าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้หรือพระองค์บอกไม่รู้คืนนี้เป็นการดับลงไปอย่างแท้จริง แล้วก็ดับแบบนิโรธสมาบัติคือสัญญากับเวทนาไม่ทํำพฤติกรรมต่อจิตใจประการใดท่านสมัยก่อนนั้นเวลาท่านกรากลาำในกิจการงานเหนื่อยยากมากร่างกายท่านก็เป็นสังขารธรมธรมดาธรรมดาในร่างกายก็คงเป็นโลกิยะอยู่นั่นเองแม้จิตใจจะเป็นโลกุตระก็ตาม ท่านก็จะพักข้าวในรถสมาบัติเป็นระยะหนึ่งตามแต่ท่านจะกาหนดไว้ก็จะเอากี่วันได้สวดบ้าง ก, ก็จะเป็นเจ็ดวันในช่วงนั้นสัญญากเวทนาดับไปได้อย่างสนิทแต่หัวใจเองก็ทำหน้าที่สูบฉีดโลชิตส่วนจิตเ น, เนื่องจากไม่มีสิ่งปรุงแต่งคือไม่มีสัญญากเวทนาจึงไม่ได้ทำหน้าที่รู้อารมณ์อะไร นี่คือจุดสูงสุดในชั้นของสมถะกรรมฐานคือจะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เดินไปให้ดำเนินไปจนถึงจุดนี้แต่ว่าสัญญาเวทนาที่กล่าวนั้นก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นแต่เพียงมีความสงบเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเมื่อตัวสัญญากระเวทนาสงบจิตมันก็สงบ เพราะความเปลี่ยนแปลงทางจิตเกิดขึ้นจากสัญญากับเวทนาเมื่อต้อนเหตุสงบไปตัวผลก็จะสงบจิตแทนที่จะสายไปในสัญญาในอดีตก็สงบลงได้หรืออย่างน้อยก็ไม่สายมากเกินไปแม้สัญญาในอนาคตในปัจจุบันก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่ทรงแสดงไว้เป็นสี่จตุกะในลักษณะนี้ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ในเวลารวดเร็วแต่เป็นเรื่องขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นลักษณะาทางอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นคือหมายความว่าเป็นการบอกกล่าวระยะทางไว้เท่านั้นเองว่าเมื่อเดินไปถึงตรงนั้นจะมีสิ่งนั้นและจะให้ทำอย่างนั้น เดินไปอีกจะพบสิ่งนั้นและจะให้ปฏิบัติอย่างนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไ ข, ขว่คว้าไปรับรู้เพราะถ้าเกิดไปไ ข, ขว่คว้ามันก็กลายเป็นอาการของกาม่ฉันท์คือแทนที่จะสงบนิวรณได้มันจะเพิ่มนิวรณให้บังเกิดขึ้นทีนี้ถ้า ปฏิบัติไปยังไม่ได้ก็จะเกิดปริพเทศกังวลใจว่าทําไมจึงไม่ได้การปฏิบัติกรรมาฐานจึงเน้นที่ปัจจุบันเท่านั้นเองปัจจุบันเรากําหนดตั้งสติระลึกรู้อยู่ในเรื่องอะไรก็ระลึกรู้เฉพาะเรื่องหล่นั้นส่วนความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยทั้งมันเมื่อตัวเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไอตัวผลมันก็เปลี่ยนไป หน้าที่ของคนจึงมีลักษณะเหมือนกับปลูกต้นไม้เป็นต้นหน้าที่เรามีมากน้อยแค่ไหนเราก็กำหนดไปเราก็ทำไปให้ถูกต้องสมบูรณ์แกจะแตกกิง่งแกจะออกดอกแกจะออกผลเป็นเรื่องของแกแต่เมื่อออกดอกก็กำหนดรู้ว่าต้นไม้ออกดอกแล้วเมื่อมีผลก็กำหนดรู้ว่ามีผลแล้วแต่จะไปเร่งรัดให้ออกดอกออกผลนั้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยถาก็มีมากพอมันก็เป็นก็มันการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ทรงแสดงไว้เป็นจตุกะซึ่งอาจจะพูดว่าหมวดหรือชั้นก็ได้หมวดแรกก็มีสีชั้นปฏิบัติตอนเริ่มต้นใหม่ๆก็กำหนดรู้เฉพาะลมหายใจเข้าและออลมหายใจออกยาวสั้นนั้นเป็นเรื่องของลมแต่ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลม เมื่อเลิกไปมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตก็ตามลมไปให้ตลอดคือรู้ลมให้ตลอดสายทั้งจุดที่ลมกระทบถึงจุดที่ลมดับไปที่เรียกว่าต้นลมกลางลมปลายถ้าเมื่อปฏิบัติไปแม้ลมเองก็สงบก็ดูที่ความสงบปฏิบัติไปอีกเกิดปีติขึ้นมาก็ตามไปดูที่ปีติมัน พร้อมกับการหายใจเข้าออกแล้วเมื่อปีติก็ เ, เปลี่ยนเป็นสุขก็ไปดูที่สุขปฏิบัติไปปฏิบัติไปสัญญากับเวทนาปรากฏล้วก็ดูที่สัญญากับเวทนามาดูไปดูไปสัญญาเวทนาเกิดสงบระ ง, งับลงโดยลาดับก็ตามดูที่ความสงบระ ง, งับเท่านั้นแต่ถ้าแกไม่ปรากฏก็ไม่ต้องดูแก ถ้าดูให้ชัดแล้วจะเห็นว่าคล้ายๆกับพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องมันผ่านมาเช่นสมมุติว่าทําพวกเครื่องดื่มหรือปิดฝาดกวดเครื่องดื่มอะไนี้หรือว่าตรวจตรวจสอบกวดเครื่องดื่มก็ดูเฉพาะขวดที่มาอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นไอ้ขวดที่เลยไปแล้วก็ชื่อว่าเลยไปแล้วที่ยังไม่มาก็ยังไม่มาไม่ได้เกี่ยวก็ดูเฉพาะที่ปรากฏเฉพาะหน้าเท่านั้น ถ้ามีปัญหาอะไรก็แก้กันตรงนั้นแล้วเมื่อขวดที่อยู่ข้างหลังแกตามาก็ดูเฉพาะที่มาถึงเฉพาะหน้าอีกเช่นเดียวกันการปฏิบัติในลักษณะนี้จะเห็นว่าอาการขวายคว้าซึ่งมักจะเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติกรรมฐานคืออยากส ง, งบบ้างอยากเขียนบ้างอยากได้นิมิตบ้างอยากได้ปีติบ้างซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขขัดแย้งกันภายในจิต ในขณะที่เราอยากต้องการให้เกิดความสงบเตจใจไปอยากอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเป็นอาการกองกามาชาันสมาธิเป็นตัวสงบกามามาชาันและเราก็สร้างการม า, ารันขึ้นมาแล้วก็บ่นว่าไม่สงบก็คล้ายๆกับเราเปิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็บ่นว่าทำไมมันมันสว่างนี่เกงนี่ก็เป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นขัดแย้งการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงเป็นการปฏิบัติ ทำสมควรแก่ทำหมายความว่าอะไรบังเกิดขึ้นก็สำเนียกกําหนดรึกรู้ในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้สอนให้ยึดให้ติดในสิ่งเหล่านั้นสามารถปฏิบัติให้เหมาะให้ควรเช่นว่าใจน้อมไปทางสมถะก็มุ่งไปสมถะมีปัญญาสูงขึ้นต้องการจะพิจารณาก็พิจารณาเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้น ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบส่อต่อไป